มีปัญหาอะไรอยากถามไหมน่าถา ม, ถาม มาทให้คขึ้นมาก็่งีที่ที่กิกคือมันอย่างนี้ความความยึดถือความยึดมั่นของหมู่สัตว์ทั้งหลายแม้แต่ของเราเองที่เคยยึดติดว่าเราเนี่ยเคยทุกมาตั้งแต่เด็กเคยถูก ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่เราเราไม่ลืมไอตัวนี้เ็าเรียกว่าปะปันจะสัญญาสัญญาคือความจำที่มันเกิดร่วมกับตัญหาทิฏฐิมานะจำว่าท่านผู้นี้เคยเบียดเบียนเรากดดันเราว่าเราตำหนิเรา ไอ้ความจำที่มันเกิดร่วมกันกับคำว่ามีเรามีเราอยู่มันก็ไปยึดถือแล้วมันก็เข้ามาปรุงแต่งไอ้สัญญามันก็ปรุงแต่งจิตตลอดบางครั้งไม่ได้ต้องเห็นคนนั้นนะอยู่คนเดียวมันก็เอามาหมุนว่าเราเคยถูกกระทาเราเคยถูกต่อว่าเราเคยถูกกดดันเราเคยถูกตำหนิ เราทํายังไงก็ท่านผู้นี้ก็ไม่เคยพอใจเรามามันก็มาปั่นตลอดยิ่งเห็นคนคนนั้นมาพูดอะไรขึ้นมาใหม่อีกมันก็ไปย้อนเอาอาดีตแล้วก็เรื่องปัจจุบันมาผสมผสานมันก็เลยเป็นกิเลสตัวปัน่นปั่นใจให้กลุ่มปัน่นเรื่องราวให้วุ่นวายปัน่นความเครียดความกลุ่มความวิตกกังวลความทุกข์ทั้งหลายขึ้นมาอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่สามตัวเนี่ย สัญญาปปัญนจะสัญญาไอ้กิเลสซ้อนเสริมตัวเนี้ยที่มันเกิดร่วมกับตัณหาคือความอยากทยานอยากอยากได้เกิดร่วมกับมานะคืออยากใหญ่เกิดร่วมกับทิฏฐิคือมีทัศนกติที่คับแคบที่มีความคิดเห็นว่าเราเขาว่าเร า, เ, ราเขาทําเราก็ทุาย เ, าเขาเบียดเบียนเราเขาไม่ดีกับเราเขาไม่เข้าใจเราเราทําให้เท่าไหร่ก็ไม่พออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือทิฏฐิ ที่มันเกิดร่วมกับตัณหาทีนี้ทัศนิธิหรือทัศนคติตรงเนี้ยมันอยู่กับความเห็นมันไม่ได้อยู่กับความจริงหรือความรู้ความจริงคืออะไรความเห็นคืออะไรความเห็นก็คิดว่าไอเด็กตัว น, น้อยคนนั้นกับไอคนคนนี้ไอเด็กตัวน้อยคนนั้นกับไอคนคนนี้นมันคนเดียวกันมันมันยังไม่หายไปเลยมันยังฝังแน่นอยู่เลยมันยังเป็น ก้อนเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเราเป็นของของเราเราถูกว่าเราถูกกระทบเราถูกตําหนิเราถูกชมเราถูกสรรเสริญเราถูกว่ากล่าวเราถูกกดดันมันก็ยึดโยงว่าเราถูกว่าถูกว่ามามันเก็บมามันเป็นมันเป็นเนื้อเป็นตัวมันเป็นสาระขึ้นมาแท้ที่จริงความจริงกระแสชีวิตที่ส่วนเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยียนในกระดูกไตวิ่ใจตัดปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหมหันกลับมันสมองไม่ว่าจะความรูส้สึกสุขทุกเฉยเฉยไม่ว่าจะเป็นความจําได้ไหมายรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นปรุงแต่งชอบแล้วไม่ชอบโกรธแล้วไม่โกรธดีใจเสียใจหรือการลรั่วลม่า ง, งตาหูจมูกกระแสชีวิตในขณะที่เป็นเด็กแบะบอกมันก็หมดไปแล้ววิ่งเล่นหมดไปแล้ว กระแสะเหล่านั้นมันหมดไปหมดแล้วความเป็นจริงมันหมดทุกขั้นตอนหมดทุกวินาทีเซลล์ในร่างกายก็แตกดับทุกๆขณะสืบต่อก็เซลลใหม่แต่มันสืบต่อดีเนมาเท่านั้นเองแม่นา ม, มาทำซึ่งเป็นความรู้สึกสุขทุกเฉยๆความจําได้ไหมายรู้ที่เป็นสัญญาตลอดถึงเกี่ยวในเรื่องทั้งการปรุงแต่งทั้งสุขและทุกการลั่วลมทั้งหลายทั้งรูปประทและนา ม, มาทำแตกดับสืบต่อแต่หมูสัตว์เนี่ย นั่นไปเข้าใจว่าไอ้คนคนนั้นมันก็ยังกับคนคนนี้มันเป็นคนเดียวกันอยู่มันก็ยึดถือมันยึดถือด้วยอาการที่เข้าไปยึดไว้ก็มาระลึกบ่อยๆมาปรุงแต่งบ่อยๆว่าเราเราเราเราเราเร า, เราถูกกระทําเราถูกกระทําเราถูกว่าเราถูกตําหนิเราเราถูกกดดันเรามันมีตรงไหนผมหรือเป็นเรา ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไอต้ตรงนั้นมันดับไปหมดแล้วมันเหลือแต่ความจำของเราที่ไปยึดโยงไว้พยายามยึดถือไว้ยึดถือไว้ยึดถือไว้ทั้งๆที่มันไม่มีอยู่จริงเลยมันแตกดับหมดหมดสิ้นไปหมดแล้วมันสลายไปหมดแล้วมัน ม, มีอยู่จริงแล้วแต่สไอ้ตัวนี้มันก็มาปั่นใจเพื่อให้ไปจำไปจำไปจำปจำจจน่ะเข้าน่ะเข้าถามว่ามันอยู่ตรงไหน ต้องหยิบ ม, มาให้ดูซิไอเจ้าเด็กคนนั้นน่ะวันเวลานั้นมันอยู่ตรงไหนมันหายไปหมดได้ยังมันไม่มีเหลือแล้วมันหมดไปแล้วแต่เรายังใช้ความทรงจำที่เป็นปัปปันจตสัญญาอิกิเลตตัวปัณฑเนี่ยเที่ยวไปยึดโยงแล้วก็ไปยึดไว้ยึดไว้แล้วก็พยายามปรุงแต่งจำเพื่อจะไม่ให้ลืมเห็นไหมทิฐิมันเป็นแบบนี้ ถามว่าเราอัตตาตัวตนมันมีอยู่จริงไหมมันไม่จริงมันเป็นสมมุติกันขึ้นมันสมมุติกันขึ้นจริงจริงมันไม่มีแต่สมมุติเพื่อจะได้ให้เรียกขานกันถูกแต่มนุษย์เนี่ยถามว่าลึกๆจริงๆเนี่ยอาเราอาศัยกระแสชีวิตของท่านผู้ใดเกิดมา แล้วก็เรียกคนนั้นเราเป็นแม่อย่างเราเรียกว่าเป็นลูกแต่เขาเรียกชั่วคราวชั่วคราวพ่อชั่วคราวแม่ชั่วคราวลูกชั่วคราวสามีภรรยาเป็นต้นชั่วคราวเพื่อนชไอ้ชั่วคราวตรงเนี้ยเอาไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อกันถูกถ้ามีปัญญาคิดเห็นแต่กระแสชีวิตเนี่ยทุกลับตาและลืมตามันเหมือนสายฟ้าแลกมันแตกดับตลอดเวลามันไม่มีเหลืออยู่เลย แตงหมูสัตร์เนี่ยที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เห็นภาริยไม่ได้ฟังธรรมของพาริยะเนี่ยก็เพียนพยายามที่จะไปยึดไว้ถือไว้ว่าเอามาเป็นอัตตาตัวตนเราให้ได้เพนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมเรามันคลายไม่ได้เพราะเรายึดถือไว้ว่ามันว่ามันเป็นเราเป็นของของเราอยู่เรามันคืออะไรอยู่ตรงไหน ถ้ามันเป็นเราจริงเนี่ยเราผมเราขนเราเล็บเราฟันเราเนี่ยมันก็ต้องสามารถกําหนดและคอนบคุมไม่ให้มันสลายไปสิไอความรู้สึกเนี่ยไอความรู้สึกเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยแล้วมันหายไปไหนถ้าเราจะสุขทุกข์ใหม่มันต้องมาปรุงแต่งใหม่ไม่ต้องทําให้เกิดในขณะนี้นะมันถึงจะได้นะแต่เดี๋ยวก็ดับไปอีกแล้วรักษามันได้ไหม ให้มันคงทนได้ไหมไอความรู้สึกแบบนี้ได้ไม่ได้ ไ, ได้ไดยังไงสามารถรักษาความสุขให้มันอยู่ตลอดไปได้ไหมให้ความทุกข์ใจมันอยู่ตลอดไปได้ไหมได้ไหมย่อมบีได้ไหมเพราะอะไรถึงไม่ได้ก็มันก็เป็นของมันอย่า ง, งานั้นมันเป็นสภาวะ มันเป็นรูปธรรมานมามธรรมหนูจะไปรักษาความโกรธให้มันอยู่ตลอดไปได้ไหมความโลภให้อยู่ตลอดไปได้ไหมความหลงให้อยู่ตลอดไปได้ไหมปัญญาอยู่ตลอดไปแต่มันสามารถที่จะทำความรู้ปัญญาให้เกิดขึ้นได้เพื่อไปรู้ความจริงว่าที่เราปล่อยความทุกข์ในใจออกไม่ได้มันมาจากการไปปรุงแต่งไปจาในสิ่งที่มัน ไม่มีอยู่แล้วให้มันมีขึ้นมาเหมือนหนูพยายามที่จะไปเอายึดเอาสายฟ้าแลบมะให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมามันยึดได้ไหมมันหมดไปหรือ ย, อยังมันหลับหมดไปทุกหลับตาและลืมตาเมื่อวานเนี่ย กระแสชีวิตเมื่อวานเนี้ยหนูเรียกกลับคืนมาได้ไหม mm hmm. เมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วสี่ห้าปีที่แล้วมันหมดไปหมดแล้วแล้วทำไมหนูมาอยู่มายึดถือในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงและในปัจจุบันเนี้ยมันก็กําลังแตกดับเห็นเห็นอยู่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ก็ความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้หนูจะโกรธใคร โกรธไปทำไมแล้วโกรธมันถูกไหมเพราะไอ้คนที่โกรธน่มันก็ดับไปหมดแล้วไอ้ความรู้สึกโกรธมันก็หมดไปแล้วมันจะไปโกรธถูกเนื้อถูกตัวที่ไหนแล้วที่เรียกว่าแม่คนที่เคยตำหนิเราว่าเรามันหมดไปแล้วไอ้ที่ทำมาตำหนิใหม่มันก็เป็นกระแสชีวิตใหม่มันก็เป็นข้างมันอยู่อย่างนี้ นี่นคือความเป็นจริงใช่ไหมหนูสามารถความจริงของแม่คือพฤติกรรมจิตใจทัศนคความเห็นเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นไหมก็เปลี่ยนแปลงบ้างไม่เปลี่ยนแปลงบ้างสุขบ้างทุกบ้างใช่ไหมนั่นคือความจริงใช่ไหม ความเห็นของหนูคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยแปลว่าอะไรหนูอยู่กับความเห็นไม่ได้อยู่กับความรู้หนูต้องพัฒนาอะไรตัวปัญญาคือความรู้ขึ้นมาแล้วเข้าไปดูให้จิตแข็งแรงให้จิตตั้งมัน่นให้ปัญญาเกิดขึ้นมาจึงเข้าไปรู้ไปเห็นก่อนว่าความจริงเขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาก็เป็นอย่างนี้เขาสืบวิธีคิดอย่างนี้ มีทัศนคติอย่างนี้มีสภาพใจใจอย่างนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหนูต้องการอะไรถ้าต้องการให้เขาเป็นอีกอย่างหนึง่งต้องมาดูว่าศักยภาพความสามารถปัญญาถึงไหมถ้าไม่ถึงรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ได้ไหมสิ่งทั้งหลายมันหมดไปหรือยัง แล้วหนูจะไปโกรธใครโกรธในอดีตมันมีเหลืออยู่ไหมก็โกรธในสิ่งที่ไม่มีแล้วไปโกรธทําไมอ้าวโกรธเมื่อวานนี้สมมุติเมื่อวานนี้เขาเขาพูดไม่ดีเมื่อวานนี้ไอ้าคาพูดที่ไม่ดีมันดับไปหรือยังอ้าวดับไปแล้วพฤติกรรมที่ไม่ดีดับไปหรอือยังความคิดที่ไม่ดีดับไปหรือยังตอนนี้เขาก็อยู่ความคิดใหม่ก <c oughs> พฤติกรรมใหม่การกระทําใหม่ แล้วพี่จะไปโกรธถูกยังไงเนี่ยใช่ไหมมันไม่เคยไปโกรธถูกมันได้จริงๆนะเพราะสังขารทั้งหลายมันแตกดับตลอดเวลาชีวิตทั้งหลายมันแตกดับอยู่ตลอดเวลามันเสื่อมสลายไปตลอดเวลามันเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้หนูจะไปคอนโทรหรือ บ, บังคับให้พฤติกรรมเป็นแบบนี้โอ้โหหนูเหนื่อยนะนอกจากเหนื่อยแล้วหนูก็ไปดูดทุกข์ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราว ม, มาไว้ในตอนด้วยนะ เอางี้ว่าเนื้องคิดให้อากาศข้างนอกอ่ะมันสักยี่สิบห้าองศาทิคิดทิแล้วมันเป็นได้ไหมนั่นคือความจริงใช่ไ้มนั่นคือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติของแม่ธรรมชาติของพ่อธรรมชาติของพี่ธรรมชาติของแฟนธรรมชาติของเพื่อนเขาเป็นเขาอย่างนั้นไหมเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละเวลาเขาเกิดความโกรธมันก็ออกมาแบบนี้ เกิดความโลภมันก็มีพฤติกรรมออกมาอย่างนี้เกิดความหลงก็มีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดศรัทธาก็มีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดสติก็มีพฤติกรรมอย่างนี้มันก็เลี้ยวแล้วแต่ว่านามาทำของเขาสภาพจิตใจของเขาเป็นอย่างไรเขาก็วิ่งตามสภาพจิตใจของเขาไปมันเป็นข้อมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนั่นคือโลกนั่นคือความจริงใช่ไหมหนูจะเป็นคนฝืนโลกจะอยู่อย่างขวางโลกหรือจะอยู่ให้รู้ทันโลก ถ้าจะอยู่อย่างรู้ทันโลกก็ต้องพัฒนาไอตัวปัญญาขึ้นมาว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันไม่ใช่เพิ่งเป็นมันเป็นมานานแล้วแล้วมันสั่งสมวิธีคิดยัางไงามันก็เป็นต่อไปถ้ามันได้เหตุปัจจัยใหม่มันก็เปลี่ยนถ้าไม่ได้เหตุปัจจัยมันก็เป็นแบบนั้นถ้าได้ปัจจัยแห่งความโลภความโลภก็เกิดขึ้นมาได้เหตุปัจจัยแห่งความโกรธความโกรธก็เป็นปัจจัยก็เกิดขึ้นมาได้อาหารของความหลงความหลงก็เกิดได้อาหารของศรัทธาศรัทธาก็เกิดอย่างนี้เป็นต้น ก็หมู่สัตว์มันเป็นแบบนี้อันนี้คือความจริงหนูต้องชื่นใจที่ได้เห็นอะไรได้เห็นความจริงเห็นความจริงโอ้เราได้รู้มันได้อะไรเนี่ยได้ปัญญาได้การวางท่าทีทางใจมันได้สติกำกลับมามันได้ความเพียรโอ้ยิ่งเห็นความจริงตรงนี้ขึ้นมาจะได้ไม่ประมาทว่าบาปมันน่ากลัวทุกข์มันน่ากลัว เวลาเจอปัญหาชีวิตนะอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้นี่มันคือโอกาสของเราแล้วถ้าไม่เจออุปสรรคไม่เจอปัญหาอย่างนี้เราจะฉลาดขึ้นมาได้ยังไงทุกอย่างมันเป็นนิมิตมันเป็นเครื่องหมาย ทำให้เราเกิดปัญญาได้หมดถ้าเรารู้แล้ว เ, เข้าใจคนฆ่ากันก็ทำให้เราเห็นความจริงเราก็กลัวตบบาปนั้นได้คนที่เขารักกันคนที่เขาฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดในกรรมก็ดีทุกอย่างมันเป็นนิมิตได้เป็นเครื่องหมายทำให้เกิดบุญเกิดบาปได้เพียงแะว่าเรา จะสามารถฉลาดกับมันไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปมองว่าคนคนนี้สวยคนคนนี้งามมันจะเกิดอะไรกำนัดยินดีใช่ไหมถ้าไปมองว่าไม่สวยไม่งามมันจะเกิดอะไรไม่กำนัดยินดีไม่เพิดเพลินถ้าไปมองว่าคนคนนี้ทำไม่ถูกน่าเกลียดมันจะเกิดอะไร เกิดโทสะเครียดถ้าไปเห็นว่าคนคนนี้มันทําดีจะเกิดอะไรก็เพลิดเพลินกับเขาเห็นไหมถ้าเราเห็นคนคนนี้ทําไม่ถูกจะเป็นใครก็ได้ถ้าเขาทําทุจริตเขาทําทุจริตทางไหนทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจเขาทําทางไหนที่เราเห็นเนี่ย ถ้าเขามีทุจิริททางกายทางจะทางวาจาของเขาทางใจของเขาดีไหมเอาเราเอาประโยชน์ได้ไหมเนี่ยเอาประโยชน์ได้เคยบอกไว้แล้วจะไหมว่าพระเนี่ยเวลาท่านเดินออกไปข้างนอกไปเห็นผ้าผ้าชายผ้ามันขาดก็ไปใช้เท้าเหยียบเอามือฉีกออกเอาขดขาดทิ้งไป ไอ้ส่ว น, นดีๆเอามาซักมาย้อมเอามาทําเป็นผ้านุ่งผ้าห่มได้ไหมได้คนบางคนมีกายเยตุจริตแต่พฤติกรรมทางกายไม่ดีแต่ทางวาจาทางใจก็ดีหนูก็เลือกเอาซิเลือกเอาสุจริตของเขาสองอย่างเอามาเป็นประโยชน์เอามาคิดให้เกิดกุศลกระจายหนูได้นี่ก็ตัดส่วนที่มันไม่ดีของเขาทิ้งไปไม่ใส่ใจอคนบางคนมีทางวาจาไม่ดี แต่ทางกายทางใจดีก็เหมือนหนูเดินไปเงี้ยหิวน้ําอะแต่ไปเห็นจอกแหนมันคุมบ่อน้ําอยู่เนี่ยถ้าจะกินน้ำำําทำยังไงหนูก็ต้องนั่งคคกเข่าไปก็แหวกจอกแหนออกแล้วก็เอามือกรอบน้ำเข้ามากินมารูปหน้าได้ความสุขไหมคนบางคนก็เหมือนกันทางกายกรรมเขาดีทางใจเขาดีแต่ทางปากเขาน่ยไม่ดีพูดจาไม่น่ารักอนี่ยเคยเห็นไหม ถ้าพูดทําให้คนทุกใจอ่ะแล้วก็นี่ไงก็จอกแหนก็ปัดออกไปก็เอาส่วนดีเข้ามาเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเราสิทางกายกับทางใจเนนะี่ยคนบางคนทางกายก็ไม่ดีทางวาจาก็ไม่ดีแต่ทางใจเขาดีเขาเป็นคนกระตันอยู่มีเมตตาอะไรก็แล้วแต่เธอรู้คุณคนหรือเป็นคนที่มีใจบุญสุนทานอะไรก็แล้วแต่หรือมีความดีบ้างอ่ะมันเถือเห็นอยู่อ่ะเมื่อเราเดินไปเนะี่ยไปเห็นบ่อน้ําเล็กๆ เ, เป็นรอยเท้าวัวควาย มีน้ําขังอยู่ถ้าหนูหิวทําไงหนูก็นอนราบลงก็ค่อยๆเอาปากเข้าไปดูดได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์นี่ก็เหมือนการคนบางคนมีสภาพจิตใจดีแต่ทางกายทางวาจาเขาไม่ดีเลยแล้วก็ตัดกายวาจาเข้าไปทางใจดีก็เอาส่วนที่เขาอาจจะมีศรัทธามีความดีรักลูกรั ก, กอะไรก็แล้วแต่เหอะเอาความดีตรงนั้นมาเป็นหล่อเลี้ยงชีวิตใจิตใจเรา แต่คนบางคนน่ะกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีมีพฤติกรรมที่แย่ๆเหมือนหนูไปในหมู่บ้านไปเจอคนป่วยติดเตียงอ่ะไม่มีคนดูแลไม่มีหมอมมีพยาบาลไม่มียาหนูก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ทำไงก็ตั้งกรุณาไงขอให้เขาเจอหมอดีขอให้เขาเจอยาดีขอให้เจอเพื่อนที่ดีขอให้เจอพยาบาลที่ดีขอให้เาเจอคนดูแลที่ดีนะ ขอให้เขาปลอดภัยเถอะอย่าให้เขาเดือดร้อนเลยคนที่ทําชั่วทางกายทางวญญาจาทางใจหนูก็ตั้งความรู้สึกแบบนี้ mm hmm. ขอให้เขาเจอกาลยานามิตรที่ดีนะเขาจะได้พ้นจากความทุกข์ได้เขาจะได้พ้นจากบาปเสียทีเขาจะได้ไม่ตกนรกปลอดภัยไหมคิดแบบเนี้ยคิดสี่วิธีแบบนี้ปลอดภัยไหมปลอดภยัยฉะนั้นหนูเกี่ยวข้องคนในโลกไม่ว่าเจเป็นพ่อแม่ปูตายา ย, าย หนูก็ต้องฉลาดในการที่จะคิดให้กุศลเกิดขึ้นต้องไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจเราเขาจะพูดยังไงความดีของหนูลดลงไหมความชั่วของหนูเพิ่มขึ้นไหมความดีความชั่วมันจะลดลงหรือเพิ่มมันอยู่ที่การกระทาของใครของตัวเองไม่ว่าอยู่ที่คนชมหรือคนดา่าพระเจ้าสอนว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อเจ้าเดินทางพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มีอาจารย์ด่าพระพุทธเจ้าด่าพระธรรมด่าพระสงฆ์แต่ลูกศิษย์ชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์เถียงกันไปอย่างนี้พระฟังก็ดีใจที่มีคนชมเสียใจที่มีคนด่าเหมือนกันหนูเวลามีคนด่าหนูเสียใจไหมเวลามีคนชมอะ ดีใจเห็นไหมเนี่ยกรณีงี้ก็เรียกอยู่แกอยู่กับความเห็นต่อไปเวลามีคนด่าไม่ใช่พระเจ้าให้มาว่นั่งวิจัยแยกแยะเช่นเช่นเขาด่าพระเจ้าด่าพระธรรมด่าพระสงฆ์เนี่ยเขาด่าระดับไหนเขาด่าพฤติกรรมทางกายด่าระดับศีลหรือด่าพฤติกรรมทางวาจาหรือด่าในเรื่องของสภาพจิตใจด่ายังไงเอามาแยกแยะ ถ้าเขาด่ามันไม่ถูกก็คือไม่ถูกถ้าเขาด่าถูกก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วจะได้แก้ไขถ้าเขาชมอ่ะก็ต้องให้ไปดูว่าเขาชมระดับไหนบางทีเนี่ยชมพรธเจ้าก็ไม่รู้จักพระเจ้าเลยชมแค่ระดับศีลแต่ระดับสมาธิไม่รู้จักคุณธรรมพทะเจ้าจริงระดับปัญญายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยพระเจ้าก็ยแยกแยะไหมแม้ที่เขาชมก็ชมได้แค่คุณของพระเจ้ามี เป็ร้อยแต่ชมได้เพียงแค่ห้าเปอร์เซบางคนดมชมแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเห็นเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนอกนั้นเอาความเห็นมาบวกหมดเลยเห็นไหมมนุษย์ที่อยู่กับความเห็นหนูจะไปกังวลทำไมล่ะท่า น, นเขาจะชมเขาจะด่ามไม่เป็นไรเขาจะยกย่องเขาจะสรรเสริญก็ไม่เป็นไร เป็นเรื่องของเขาแต่หนูต้องใช้ปัญญาไปวิจัยว่าที่เขาชมชมระดับไหนเช่นเขาชมว่าหนูเป็นคนชอบให้ทานหนูก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยความจริงนะ่ยไม่ได้ชอบให้ทานเสมอไปที่ไม่ให้ก็มีบางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้ก็ดูแต่จังหวะดูแต่โอกาสบางคนก็ชมว่าหนูเป็นคนใจดีเยือเกเยน็นออกไม่จริงหรอก ไอ้ที่ใจร้อนก็มีเห็นไหมหนูมาแยกแยะให้ออกว่าจริงๆสิ่งที่เขาชมเขาชมแค่ไหนถูกกี่เปอร์เซ็นต์หนูก็ใช้ปัญญามาแยกแยะมันก็จะได้ประโยชน์ทันทีหนูก็จะไม่หลงกับเสียงชมเวลาเขาด่าก็เหมือนกันเขาด่าระดับไหนด่าเรื่องอะไรด่าในส่วนไหนถ้าเขาด่าไม่ถูกก็ไม่ต้องไปกังวลด่าถูกก็เป็นเรื่องที่ดีเราจะได้แก้ไข เห็นไหมมันเป็นประโยชน์หมดไหมอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นนี่ยังถอนได้ไหมตอเนี้ยถอนได้เพราะอะไรแต่เรากลับไปยึดของที่มันไม่มีขึ้นมาปรุงแต่งในใจเราแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ความเครียด ประเด็นอย่างนี้อย่าไปอย่าไปพยายามต้องให้รู้ก่อนจึงค่อยพยายามจึงค่อยไปอยากถ้ายังไม่รู้อย่าไปทำไม่ต้องไปกังวลถ้าแกจะทุกข์แล้วเส้นสมองแตกก็ไม่เป็นไรถึงจะทุกข์เป็นอมาพาสก็ไม่เป็นไร พรแกทุกข์ของแกเองเราไม่ได้ไปปั่นให้แกต้องไปทุกข์หรือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรามันเกิดขึ้นจากแกวางท่าทีทางใจไม่เป็ น, นช่วยไม่ได้หนูต้องฉลาดในการวางใจเข้าใจไหมแล้วแต่ถ้าหนูรู้วิธีหนูหนูเห็นอย่างนี้หนูต้องไม่ทุกข์ก่อนเอาอย่างนี้ฉันเคยยกตัวยอย่างหลายครั้ง ยอมแม่อ่าน้องบอกให้กินยาบอกให้ทำอะไรแกไม่ค่อยฟังน้องๆโดื้อมากดื้อมา ก, มากพามาที่โรงพยาบาลแ <c oughs> ต่ น, นั้นจำได้ไม่ยอมเพามาปุ๊บน้องก็โหไปแค่ไห้แกกินน้ำเพื่อจะทำอุดจารสาวตาย แกก็ไม่กินกินนิดนิดนิดถ้าฉันไปฉันก็เอ๊ะทำไมไม่นั่นไปดูฉันก็ไปคุยแกว่าเยอะแม่ไม่เป็นไรนะก็คุยธรรมดาเยอะแม่ไม่อยากกินน้ำก็ไม่ต้องกินไม่กินก็ไม่ต้องทำอุนตาสาก็ไม่ได้แล้วเด้อจะกลับไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปอยากรู้เยอะแม่อยากจะมีคุณภาพชีวิตดี หรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรอาตอมาเคารพการตัดสินใจของโยมแม่โยมแม่ไม่กินยาก็ได้ไม่กินน้ําก็ได้จะทํายังไงก็ได้อามายเคารพการตัดสินใจของโยมแม่เดี๋ยวแม่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากจะกินยาอยากจะกินอาหารแบบนี้ก็กินแต่มันก็ยากหน่อยแต่ถ้าปรารถนาอยากจะอยู่นานเพื่อให้ลูกได้เบี่ยงบ่าได้เลี้ยงดูได้ดูแล แต่ถ้าโยมแม่บอกไม่อยากอยู่อยากจะตายแล้วเบื่อก็ไม่เป็นไรเคารพการตัดสินใจของโยมแม่โยมแม่ปรารถนาจะทำอะไรแล้วผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรโยมแม่ก็ต้องรับผลของการกระทาอยู่แล้วแต่มารักโยมแม่นะปรารถนาโยมแม่อยู่นานนะแต่โยมแม่ทำไม่ไหวอมาก็เคารพการตัดสินใจของโยมเนี่ ชัดไหมนี่ก็เหมือนกันหนูต้องเคารพถ้าแม่จะเป็นอย่างนั้นหนูก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโยมแม่ที่จะเป็นแม่จะคิดอย่างนั้นมีพฤติกรรมอย่างนั้นมีทัศนคติอย่างนั้นมีคําพูดอย่างนั้นก็โยมแม่ก็ต้องรับผลของการกระทําของโยมแม่หนูก็รักแม่ใจก็ไม่อยากให้มิโยแม่เป็นงั้นแต่โยแม่จะเป็นก็ไม่เป็นไรถ้าโยแม่สร้างเหตุแบบนี้ก็ต้องได้แบบนี้สร้างเหตุแบบนี้ก็ต้องได้แบบนี้ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทุกคนก็ต้องรับผลของการกระทำอยู่แล้วอชอบอาหารแบบนี้แต่อาหารแบบนี้ไม่สมควรไม่ชอบอาหารแบบนี้อาหารแบบนี้มันสมควรก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมรับถ้ากินแบบนี้แล้วอะไรจะตามมาอยากจะให้คนรักแต่ยมแม่พูดแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้คนก็จะไปรักได้ยังไงเขาก็ต้องเกลียดก็เป็นเรื่องปกติ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเยอะแม่อยากให้ลูกรักแต่ยมแม่ด่าหรือตําหนิก็ไม่เป็นไรยอะแม่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ทํามาแต่แต่ถ้าลูกไม่รักยมแม่ก็ต้องไม่โกรธหรือจะโกรธก็ได้ไปเป็นไรก็สร้างเหตุแบบเนี้ยลูกก็อาจจะห่างๆเรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นตรงนี้ต้องยอมรับผลของการกระทาด้วย แม้แม้มันเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องง่ายๆเรื่องลอจิกง่ายๆ่ายเลยนะเหตุผลนิดเดียวแค่นี้ก็เพียงว่ายอมรับในสิ่งที่แม่เป็นยอมรับได้ด้วยปัญญาเข้าใจความจริงไม่ใช่ยอมจำนนนะยอมรับได้ด้วยปัญญาก็เพื่อนเป็นแบบนี้มีอุปนัยสัยแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ผลก็เป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นไร ถ้าอยากได้ผลอีกอย่างก็ทำอีกอย่างหนึ่งอยากจะไปเชียงใหม่ก็ต้องขึ้นเหนืออยากจะลงใต้อยากจะไปยะลาก็ต้องลงใต้งับเรื่องปกติอยากจะไปเร็วก็นั่งเครื่องอะไรเนี่ยมันมีเหตุมีผลในรองรับในตัวมันหมดถ้าอยากจะโทษ ก, ก็โกรธไงโกรธเยอะๆใช่ไหมละ่ะพอมองเห็นอี่ไง ทั้งหมดเหล่านี้มันควรไปโกรธควรไปเกลียดควรไปอาฆาตพยาบาทควรไปทุกข์ใจไห ม, มจะไปทุกข์ใจทำไมก็ใครทำเหตุแบบไห น, นก็ได้แบบนั้นโ <Okay. S 1> อเคพักกัน